ก็แม้รู้จักแต่ก็ยังไม่มีอำนาจไม่มีพลังไม่มีกำลังพอที่จะออกจากกิเลสตรงนั้นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสติที่เราฝึกมันยังไม่พอนะสติโดยธรรมชาติมันก็มีอยู่แต่เราไม่เคยฝึกหัดให้มันเข้มแข็งมากขึ้นนะคล้ายเหมือนกับมือข้างที่เราไม่ถนัดเนาะคนส่วนใหญ่ถนัดมือขวามือซ้ายไม่ค่อยถนัดนอันนี้คือคนส่วนใหญ่ใจ มือข้างขวาเราทำอะไรชนานาญเราทำอะไรคล่องนะมันก็ใช้ประโยชน์ได้มากมายนะแต่มือซ้ายที่เราไม่เคยได้ฝึกหรือมือข้างที่เราไม่เคยฝึกเนี่ยมันก็ทำประโยชน์ได้น้อย ท, ทั้งทั้งที่ลูกบัลลงภายนอกมันก็เหมือนกันนะเราเอามือที่ไม่ถนัดมาเขียนหนังสือมาจับคอดมาจับอะไรต่างๆมันก็ไม่ค่อยถนัดมันทาได้ไหมทาได้ ไม่คล่องสติปัญญาเนะ่พวกเราก็มีอยู่แล้วเปรียบก็เหมือนกับมือข้างที่ไม่ถนัดนะเราไม่เคยมาฝึกหัดมันให้มันให้มันคล่องให้มันจานานเฉยๆนะเราก็เลยเรียกว่าตกเป็นท่าของกิเลสอยู่ร่าไปเนาะการมาฝึกหัดสตินะเพื่อให้เกิดปัญญาก็คือเนี่ยการมาฝึกหัดสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว ปฏิสังขรณ์สัญญานะโดยในเรียกว่าเป็นสัมมาสติเนี่ยพวกเรามีกันอยู่แล้วนะแต่การแค่กลับมาดูกายกลับมารูใจของตัวเองตามความเป็นจริงนะเมื่อเรากลับมาดูกายกํับมาดูใจของตัวเองตามความเป็นจริงผลที่เกิดขึ้นก็คือการเรียกว่านะถอนความยึดมัน่นถือมัน่นนะออกจากโลกตัวนี้ได้นะออกจากโลกก็คือกายและใจตัวนี้ได้นะ อันนั้นการปฏิบัติธรรมเข้มก็ดีหรือการไม่ปฏิบัติธรรมในที่บอกว่าไม่ได้เก็บอารมณ์หรือไม่ได้เข้มก็ดีนะแต่ก็อยากให้พวกเราได้ตั้งใจกลับมาดูกายดูใจของเรานะจะเป็นการปฏิบัติในรูปแบบก็ดีปฏิบัตินอกรูปแบบก็ดีนะถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเพราะกายมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาจะ ก, กายที่ปฏิบัติธรรมในรูปแบบหรือกายที่ปฏิบัติธรรมนอกรูปแบบก็มีการเคลื่อนไหวเราสามารถตารดู กายที่เคลื่อนไหวอันนี้แหละคือหัวใจของการปฏิบัตินะไม่ใช่แค่การยกมือท่านจังหวะหรือว่ากานเดินจงกรมแบบกลับไปกลับมาการรู้กายนะการรู้กายในเบื้องต้นก็คือรู้กายที่เคลื่อนไหวรู้กายที่หยุดนิ่งนะรู้กายที่เคลื่อนไหวรู้กายที่หยุดนิ่งให้รู้เป็นครั้งรู้เป็นขณะแบบนี้แหละคือหัวใจนะไม่ใช่รู้ว่าเราทําท่าอะไรอยู่นะ การทําท่ามันยังต้องมีภาษามีสมมุติที่เรียกว่าท่านี้คืออะไรนะท่านี้ยกท่าดี้วาท่านี้สัมผัสพื้นท่านี้ยกเท้าขึ้นอะไรนะการที่ยังมีสมมุติที่เรียกว่าท่ามีอาการต่างๆตรง น, นั้นมันก็ยังเป็นสมมุติอยู่แต่สภาวะรมที่ว่าเคลื่อนที่ว่าหยุดนี่มันทีไม่ต้องใช้สมมุติว่าเคลื่อนแบบไหนว่าหยุดอย่างไร แค่รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างอาการของกายที่มันเคลื่อนและอาการที่มันหยุดโดยไม่ต้องไปพูดในใจโดยไม่ต้องไปบอกบริกรรมอะไรต่างๆถ้าเรารู้กายที่เคลื่อนที่หยุดทุกขณะจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่ที่จริงกายที่เคลื่อนกายที่หยุดนี่มันมีหลายๆส่วนเกิดขึ้นพร้อมกันเช่นม้ขณะนี้เราบางคนเคลื่อนไหวมือนะแต่ก็มีกายที่เคลื่อนอย่างอื่น ที่รับรู้ได้เช่นเดียวกันเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเขาก็เคลื่อนของเขาหรือแม้แต่เรานั่งอยู่อยู่บางคนคิดว่าเรานั่งนิ่งแต่จริงไม่นิ่งนะนะบางทีก็นิ่งนะหรือบางทีมันก็เคลื่อนของมันเราสามารถตามรู้กายที่เคลื่อนส่วนใดก็ได้นะแต่บางคนก็ต้องสร้างนะกายที่เคลื่อนอย่างนึงไว้เป็นดักนะ เค่มือที่เคลื่อนไหวไปมาตอนนี้แหละเราก็สร้างกายที่เคลื่อนอันี้เพื่อให้เกิดสติมันรับรู้ที่ตรงนี้เป็นหลักนะให้มันรู้ที่ตรงที่มันเด่นเด่นตอนนี้เป็นหลักแต่บางทีนะสติมันก็ไปรู้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกบ้างสติมันไปรู้ที่การกระพริบตาการอ้าปากบ้างสติมันไปรู้ถึงการสัมผัส ข, ของกายส่วนอื่นบ้างก็ให้รู้เป็นธรรมชาตินะอย่าไปบังคับว่า ฉันจะต้องรู้แต่ที่มือที่เท้าอย่างเดียวไม่ใช่เนาะกามีสติรู้กายต้องรู้ให้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอะไรกายอะไรที่มันเด่นในตอนนั้นเราก็รู้เขาอย่างที่เขาเป็นนะให้รู้กายโดยแบบเห็นแบบรวมๆนะไม่ใช่เห็นแต่มือไม่ใช่เห็นแต่แขนแต่ให้เห็นทั้งกายนี้มันกำลังเคลื่อนไหวอยู่อย่างไรนะจะยืนเดินนั่งนอน คุยหยียดเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นว่ากายทั้งกายนะไม่ใช่เห็นแค่มือแค่แขนนะนะการดูกายก็ต้องเห็นกายทั้งกายนะแต่บางทีก็ไม่ใช่ว่าไปกำหนดนะให้มันเห็นชัดให้มันเห็นเด่นนะบางทีมันไม่ชัดมันไม่เด่นก็ไม่เป็นไรรู้เท่าที่รู้ได้นะแล้วก็รู้อะไรที่เข้าเด่นในปัจจุบันขณะตอนนั้นเราก็รู้แบบสบายๆนะจะเห็นไหมว่า สติแม้จะสติที่รู้กายมันก็รู้แตกต่างกันไปนะรู้แล้วแต่อะไรเขาจะเด่นเราก็ดูตรงนั้นดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้คือเรียกว่าการไม่กําหนดนะการที่ไม่กําหนดแต่เรามีความตั้งใจที่จะสร้างการเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งไว้เป็นหลักนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีการสร้างการเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีมันจะผ้ามันจะเบอร์มันจะเรียกว่ามันจะดง๋งนะมันจะด๋ง ที่จะไม่ดูกายได้ง่ายเกินไปนะมันจะหลงไปอยู่ในความคิดนะหรือว่าหลงไปกับอารมณ์รอบข้างได้มากมายนั้นเราสร้างการเคลื่อนไหวของกายสักอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตที่มีสติเป็นตัวคอยรู้ตัวนั้นแต่ต้องรู้แบบธรรมชาติรู้แบบธรรมดาไม่บังคับว่าจะต้องรู้อย่างนี้อย่างเดียวนะถ้าเราไปบังคับให้มนุษ้อย่างเดียวนะ บางทีถ้าทำได้ก็คือรู้แต่อย่างนี้อย่างเดียวต่อเนื่องนะมันก็จะได้แค่ระดับของสมาธินะมันไม่ต่างจากการที่บางคนหรือว่าบางที่เขากำหนดนะกำหนดคำบริกรรมก็ดีหรือกำหนดอะไรสักอย่างหนึ่งก็ดีสมาธิก็คือว่าการที่กำหนดการที่ตั้งใจอยู่กับอะไรสักอย่างเดียวอย่างต่อเนื่องนะไม่สนใจอย่างอื่นปิดการรับรู้อย่างอื่น แล้วก็รู้แค่อารมณ์เดียวเป็นหลัก น, นั่นแะได้สมาธิอ่ได้สมาธิแต่จะเป็นสัมมาสมาธิหรือเป็นมิจฉาสมาธิอันนั้นอันนั้นก็แล้วแต่ว่ารู้แบบสบายหรือเปล่าหรือว่ารู้แบบเข้าไปอยู่นะกับอารมณ์เดียวที่ตัวเองรู้ตรงนั้นอันนั้นเนาะแต่เราที่เราฝึกอันเนี้ยเราเน้นสตินำสมาธิตั้งนั้นถ้าเราจะฝึกสตินำสมาธิเราก็ต้องรู้อาการของกาย อย่างที่เขาเป็นอย่างสบายสบายแม้มันจะเปลี่ยนตัวเด่นไปดูตัวไหนเราก็รู้มันอย่างที่มันเป็นน่ะแหละมันไม่ผิดนะเพราะว่าเรารู้กายในกายนะมันจะเห็นว่าข้อที่จริงทงังรสชาติสมสติมันก็ไม่เทียมนะตอนนี้มันเด่นที่การเคลื่อนไหวมื อ, อเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเด่นที่การเคลื่อนไหวของลมหายใจนะหรือมันก็ไปเด่นที่การรับรู้ของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเย็น หนาวบ้างร้อนบ้างเฉยเฉยบ้างมันก็สามารถรู้ได้จะเห็นเลยว่ากายนี่มัมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่มันเด่นที่ตรงไหนเราก็รู้มาตรงนั้นจิตใจก็เช่นเดียวกันนะจิตใจเราก็สามารถรู้ทันได้อารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีเป็นเฉยเฉยก็ดีหรืออาการหุนจิตที่มันปรุงแต่งหรืออาการหุนจิตที่มันไม่ปรุงแต่งเกิดขึ้น เราก็มาเราก็สามารถรู้ได้ไม่จำเป็นว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องไม่รู้นะไม่รู้อาการของจิตเลยนะถ้าจิตเขาเด่นขึ้นมาเช่นตอนนี้เราปฏิบัติทำแล้วมันสบายเกิดความสุขความสุขเกิดขึ้นเราก็สามารถรู้ได้ว่าเออความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นก็สามารถรู้ได้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นอ้อก็รู้ว่ามันไปคิดแล้ว ไ ม, ไม่คิดก็รู้มันไม่คิดนี่อาการอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็รู้อย่างที่เขาเป็นจะเป็นความง่วงนอนเกิดขึ้นก็ได้บางคนไอตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นเออรู้ว่าง่วงนอนถ้าเรารู้ว่าง่วงนอนแต่ไม่มีเราเป็นผู้ง่วงนอนอาการมันจะแตกต่างกันนะรู้แค่ว่าอาการของกายมันไม่สดชื่นอาการของใจมันดนความง่วงคลอบงมมันไม่ตื่นไม่เบิกบานก็รู้อย่างที่เขาเป็น ถ้าเรารู้อย่างนี้เขาเป็นนะจิตใจมันก็จะตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งนะเหมือนกับความมืดนะโดนไฟฉายส่องแวบหนึ่งมันก็ตื่นสว่างนะเห็นทางแวบหนึ่งอาจจะโดนความมืดมาครอบงาใหม่แต่ใจที่รู้แบบซื่อๆรู้แบบตรงๆนะมันก็เหมือนไฟฉายที่ส่องสว่างในยามมืดแวบหนึ่งแวบแวบๆนะสติที่รู้สึกตัวมันก็เป็นสติแบบแวบๆแบบนั้นแหละ คือมันจะเรียกว่ามันไม่สามารถปังคับให้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหรอกนะมันจะเกิดขึ้นได้แต่ตอนที่เรารู้อาการของกายของใจตามความเป็นจริงโดยใจที่ตั้งมัน่นโดยใจที่ไม่ถลำไปปรุงต่อเท่านั้นนะจะปรุงต่อด้านลบหรือด้านบวกก็ไม่ใช่ใจที่ตั้งมัน่นไม่ใช่ใจที่เป็นกลางนะใจที่ตั้งมัน่นใจที่เป็นกลางรู้แล้วก็เฉยเฉยนะเฉยเฉยกับอาการตรงนั้นนะ เฉยๆไม่ใช่ว่าเป็นการทำจิตให้เฉยๆนะแต่มันอู้แล้วก็เฉยเฉยแบบไม่ปรุงต่ออันนี้แหละคือใจที่มีสติเป็นสัมมาสติจริงๆนะเพราะสัมมาสติคือใจที่เป็นกลางกับอารมณ์นะไม่ใช่ไปบวกไม่ใช่ไปลบกับอารมณ์ดังนั้นการที่เรารู้กายก็ดีรู้รู้ใจก็ดีนะรู้เฉยๆนะอาการันแบบไหนรู้เฉยๆแค่นั้นพอ ถ้าเมื่อไรที่ใจมันไม่เฉยไปยินดีบ้างไปยินร้ายบ้า ง, างก็คอยตามรู้ทันมันอ้อตอนนี้ใจไปยินดีกับอารมณ์นี้นะมันปฏิบัติรับตัวเบาสบายมีความสุขใจเกิดความยินดีกับความเบาความสบายความสุขก็ให้รู้ทันเพราะถ้าเราไม่รู้ทันนะบางทีแต่เฉพาะบางคนปฏิบัติทำต่อเนื่องนานๆบางทีแรกๆมันฝืนอาการความง่วงบ้างอาการความคิดบ้าง พอผ่านทารุอาการพวกนี้ได้มันไปเจอความสุขเจอความเบาเจอความสบายไปเจอปิตินะคนก็จะไปติดนะคล้ายๆคนที่แบบเดินผ่านแดดร้อนมานานไปเจอต่มไม้ไปเจอที่พักนะที่มันสบายขึ้นอยมันติดนะเพราะว่ามันมันรู้สึกว่าก่อนนั้นนั้นมันทุกข์มันทนมันเรียกว่ามันลาบากมามากพอเจอสิ่งที่สบายก็ติดทันทีนะ มันเกิดความสุขเกิดปิติเกิดขึ้นก็ไปพอใจที่ตรงนั้นนะ่ะความพอใจเกิดขึ้นให้เรารู้ทันเมื่อเรารู้ทันความพอใจนะความพอใจก็หายไปนะนะแต่ความสุขความสบายอาจจะยังมีอยู่นะ่ะยังมีอยู่แต่มีอย่างที่เรารู้ไม่ใช่มีอย่างที่เราเข้าไปเสพเข้าไปอยู่กับเขานะถ้าเรารู้อาการาต่างๆตามความเป็นจริงนะสุขเราก็ไม่ใช่ว่ามาันไม่ดีนะ่ะ ทุก็ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ขอให้รู้อย่างที่เขาเป็นนะความง่งนอนมันก็ดีนะความง่งนอนเกิดขึ้นมันก็ดีดีถ้าเรารู้นะแต่ถ้าไม่ดีถ้าเราไม่ไม่ดีถ้าเราไม่รู้สุกข์หรือทุกข์ก็เหมือนกันนะ<ๆ>มันมีค่าเท่ากันเพราะว่าค่าในการปฏิบัติธรรมคือรู้อย่างที่เขาเป็นนะ <ๆ S 1> อะไรเกิดขึ้น <ๆ S 1> ถ้าเรารู้อย่างที่เขาเป็นนะจิตใจมันจะเบามันจะสบายมันจะเรียกว่ามันจะ ไม่ยึดติด ก, กับอารมณ์นั้นอันเนี้ยการปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอให้เราดูกายดูใจอย่างที่เข้าเป็นบางทีก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าปฏิบัติธรรมไปเราตั้งใจที่จะดูกายเป็นหลักก็จริงแต่บางทีอาการของใจมันก็แทรกเข้ามาให้เห็นนะเพราะบางทีมันก็เด่นขึ้นมาชัดแทนแล้วก็ดูมันอย่างที่เข้าเป็นนั่นแหละนะดูมันไปนะ มันจะเกิดอะไรขึ้นในกายในใจนี้เราก็ดูมันไปจะเห็นเลยว่าสติก็ไม่สามารถเลือกได้ที่จะดูอารมณ์อะไรอย่างเดียวนะบางทีมันก็รู้สลับกันไปรู้สลับกันมาแล้วแต่อะไรเด่นเราก็ดูมันตรงนั้นอันนี้แหละถึงนี้เป็นการเจริญสติแบบธรรมชาตินะจะในรูปแบบจะนอกรูปแบบก็ดีเราก็ให้มันเห็นแบบนี้แหละอ้อเห็นสติที่กลับมาเห็นกายเห็นใจตัวเองโดยไม่เลือกว่าจะเห็นอารมณ์อะไรเป็นหลั ก, กวันเนี้ย มันจะเป็นการจะจะเจริญสติแบบธรรมชาติแต่ถ้าใครวางใจที่จะรู้รู้อะไรอย่างเดียวอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานเนี่ยก็ต้องเรียกว่าค่อยๆทบทวนตัวเองนะบางทีมันจะถลัมกลายเป็นสมาธินะหรือถ้าทาไม่ได้สมาธิก็จะเป็นการไปเพ่งไปจ้องไปกฎไปบังคับไปขม่มอารมณ์ไว้นะมันไม่เป็นธรรมชาตินะขอให้พวกเราได้ฝึกสติ อย่างเป็นธรรมชาตินะถ้าสติมันเติบโตอย่างเป็นธรรมชาตินะจิตใจมันจะเกิดเป็นความเบาความสบายเมื่อเกิดความเบาเกิดความสบายมันจะกลายเป็นความสุขนะความสุขตอนนั้นแหละจะทำให้เรามีสมาธิทำให้เรามีจิตใจที่ตั้งมัน่นทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความสุขมันมีฉันทะความพอใจที่จะรู้อารมณ์ได้ต่อเนื่องนะ มันจะรู้สึกสบายสบา ย, บายทําได้เรื่อยๆนะไม่จะเดินไม่จะยกมือไม่จะทําการทํางานใดมันก็รู้สึกสบายในการที่จะตามรู้กายรู้ใจไปนะแต่บางคนถ้ายังไม่ได้อารมณ์นี้มันก็ต้องฝืนบ้างนะฝืนฝืนในการทําฝืนในการขยันฝืนในการที่จะรู้ทันกิเลสรืหรือบางทีก็ฝืนในการข่มกิเลสบ้างนะใหม่ๆก็อาจจะต้องฝืนบ้างในบางอารมณ์นะแต่ถ้าเรา รู้สบายมากขึ้นนะมันไม่ต้องฝืนมันจะเกิดความสนุกมันจะเกิดความเพลินในการตามรู้อารมณ์นะแต่ความสนุกความเพลินในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดไม่มีความหลงเกิดขึ้นนะแต่มันจะเห็นว่าความคิดก็ดีความหลงก็ดีอะไรเกิดขึ้นก็ดีมันเกิดขึ้นมาเหมือนคล้ายๆเป็นเกมกีฬามันเกิดความสนุกอ้อมันหลงแล้วหรอก็รู้ทันมันใหม ไปคิดเองแล้วเหรอก็รู้ทัน ม, มันมีแต่ว่าไม่เป็นไรอาการความคิดเกิดขึ้นอาการความหลมเกิดขึ้นอะก็ไม่เป็นไรเพ้ามันสนุกที่จะตามรู้ตามทันนะตามรู้ตามเห็นความคิดตามรู้ตามเห็นอาการของสิ่งที่เผลอไปของจิตนะถ้าจิตมันตามรู้ตามเห็นอาการพวกนี้ได้นะจิตใจมันเกิดความสนุกในการปฏิบัติธรรมมากนะจะเห็นกายก็ดีเห็นใจก็ดีมันรู้สึกสนุก สนุกที่เห็นว่าอ๋อสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในกายนี้ก็ดีสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในใจนี้ก็ดีมันมีแต่มาหลอกลวงให้เราหลงทั้งนั้นถ้าเราไม่รู้ทันเนาะอ๋อเราหลงไปกับความคิดมากมายในอดีตชาตินี้หลงเป็นมากมายแม้ในปัจจุบันมันก็มาหลอกเรามากมายเช่นเดียวกันแต่พอเรารู้ทันละอาการาต่างๆเหล่านี้มันก็ดับไปจริงจนิง มันไม่แตกเลยที่ทําไมพระพุทธเจ้าท่านอุทานบทแรกเลยโอ้ทาไมเรารู้แล้วว่านายช่างพบปลุกเรือนของเราคือใครนะเราก็ดื้อเดือนรื้อสิ่งต่างๆพวกนั้นออกได้แล้วนะรู้แล้วว่าอะไรที่มาปรุงแต่งให้เกิดความหลงนะที่จริงสังขารการปรุงแต่งพวกนี้ก็คือความคิดทำนั้นนะแต่ความคิดมันก็มีเรียกว่ามีคนบงการอยู่ข้างหลังเองนะ ก็คือความไม่รู้ก็คือความก็คืออวิชชานะความไม่รู้คืออวิชชาตัณหาอุปาทานที่ไปยึดมั่นถือมั่นอีกทีหนึ่งนะแต่ขั้นขั้นที่เราปฏิบัติในเบื้องต้นนะ่นะเพิ่งไปจัดการกับตัวอวิชชานะไอ้ตัวนั้นมันเป็นตัวบมการที่ยิ่งใหญ่เราจะไปรื้อถอนอวิชชาตอนนี้มันยังไม่ได้รู้ทันแค่ตัวสำคาญที่มาปุ่มก่อนนะรู้ที่สำคาญที่การปรุงตอนนี้ก่อน รู้มันคิดเมื่อไหร่รู้ว่าปุงไปชอบไปชังเมื่อไหร่แค่นี้พอละพอแล้วก็กลับมาพอมีสติรู้ทันนะอาการของความคิดมันตกไปทันทีนะอาการของความคิดนี่มันหรืออาการของจิตนี่มันเรียกว่าตั้งอยู่ได้ไม่นานให้เราเห็นชัดเจนเลยนะให้เราเห็นชัดเจนเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ไม่คิดเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ไม่คิดนะอาการทั้งนี้เกิดขึ้นให้เราเห็นอ๋อนี่แหละ ความคิดนี่มันเป็นอนิจจังจริงๆนะมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดับไปหรือเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปใหม่นะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนระดับหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบที่แสดงต่างๆเนะี่ยแล้วก็เห็นมันแบบเห็นแบบสนุกสนุกเห็นที่ตกอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนนะจะเห็นกายก็ดีเห็นใจก็ดีถ้ามันเห็นแล้วมันตกลงในกฎของไตรลักษณ์ มันลักษณะตัวนี้ด้วยว่าเราเห็นถูกทางแต่ถ้าเราเห็นแล้วอะไรมันก็เที่ยงสติก็เที่ยงฉันสามารถสักบังคับให้เกิดสติหรือว่าบังคับให้สติมันอยู่ตลอดเลยเห็นมันเที่ยงตลอดความสุขความสบายเกิดขึ้นเห็นมันเที่ยงอยู่นานเป็นวันสองวันสามวันนะล้วก็รู้สึกพอใจในความสุขนั้นเห็นว่าสามารถบังคับให้สติ เกิดขึ้นได้บังคับแท้สติมันอยู่ได้นานๆถ้าเราทำแบบนี้นะอาจจ้องเตือนตัวเองนะดูว่าทำไมการเห็นหรือว่าการอยู่ตรงนี้มันผิดกับกฎของตจรักนะแต่ว่าเราวางใจไว้ผิดหรือมั้งนะแสดว่าว่าเราวา ง, วางใจไว้ผิดเห็นอะไรต่างๆมันเที่ยงแท้เห็นมีแต่ความสุขนะมีแต่ความสุขมีแต่ความเพลมีความเบาสบาย ไปอยู่กับความสุขหรือว่าเราเห็นความสุขนอ้อนะค่อยๆดูค่อยๆเตือนตัวเองนะเพราะว่าที่จริงพระเจ้าท่านได้เห็นทุกนะเราเห็นไหมนะทุกนะไม่ติดสุขมันก็มีทุกอยู่ในนั้นนะหน้าหน้าตาเบื้องต้นมันบอกว่าเป็นสุขนะแต่จริงมันมีทุกอยู่ในนั้นถ้าเราเสพสุขมากมันก็ทุกเช่นเดียวกันในะความสุขยันคล้ายๆกับขนมหวานนะคล้ายกับของหวาน ถามว่ามีประโยชน์ไหมนะขนมหวานมันมีมีความอร่อยมันมีประโยชน์มันมีพลังงานอยู่ในนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเสพมากนะก็เป็นโรคเบาหวานนะหรือเป็นโรคต่างๆที่ตามมาที่เกิดจากการที่กินบริโภคของหวานมากเกินไปนะความสุขก็เป็นเช่นเดียวกันนะมันมีในสุขมันก็มีทุกข์นะแต่จริงในทุกข์นะในทุกข์มันมีความไม่ทุกข์อยู่ในนั้นนะฟังดีๆนะนะ สุขกับทุกข์ไม่ใช่ตรงข้ามกันนะในสุขมันมีทุกข์อยู่ในนั้นนะแต่ในความเป็นทุกข์มันมีความไม่ทุกข์อยู่ในนั้นเช่นเดียวกันถ้าเรามีสติเราจะเห็นเลยว่าอ้อที่จริงความสุขที่เกิดขึ้นเนี่มันมีความทุกข์ที่มันแฝงอยู่ในนั้นถ้าเราไม่รู้ทรรมจริงจริงออาจะไปติดมันแต่ที่จริงเร <c oughs> าเห็นความทุกข์เกิดขึ้น มันก็จะเห็นความไม่ทุกข์ที่แสดงตัวตนอยู่ตรงนั้นเช่นเดียวกันแค่มีความรูสึกตัวเกิดขึ้นอ้อความไม่ทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วนะความคิดความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆเกิดขึ้นพอมีสติรู้ทันอ้อมันก็หายไปนี่นี่ยจิตใจที่เห็นว่าอ้อเดี๋ยวก็เกิดความทุกข์เดี๋ยวก็เกิดเป็นความไม่ทุกข์เห็นว่าจิตนะที่คิดไปกับจิตที่ไม่คิดไปจิตที่ปกติกับจิตที่ไม่อ๋อไม่ปกติ มันก็แสดงอาการสลับกันไปสลับกันมา น, นี่แหละคืออาการที่เราสามารถตามดูจิตใจได้นะอันะนั้นอันมาจะสรุปนะักการตามดูกายเริ่มต้นก็ให้ดูกายที่เคลื่อนกายที่หยุดนะให้มันสบายบายเป็นจังหวะเป็นครั้งเป็นครั้งอย่าไปกําหนดอย่าไปจี้อย่าไปจ้องอาการของกายส่วนในส่วนหนึ่งนะให้รูกายแบบธรรมชาติรูแบบภาพรวมๆไปนะ รู้แบบใจที่เรียกว่าเป็นผู้ดูกายไม่ใช่ไปอยู่ที่กายไม่ใช่เป็นต้องรู้ดูที่มือดูที่เท้านะไม่ใช่นะให้ทำสบายๆรู้จะชัดไม่ชัดหรือว่ า, เ, าเป็นแบบไหนก็รู้อย่างที่เขาเป็นนะอย่าไปกำหนดว่าจะต้องรู้ให้ชัดนะรู้ให้มันเด่นอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะรู้อย่างที่เขาเป็นนะาการของกาย จะดูมือบ้างดกเท้าบ้างรูลมบ้า ง, างก็ขอให้ดูแบบไม่ให้มีสมมติในกา เ, นเรียกชื่ออาการต่างต่างนั้นรู้แค่สภาวะทำที่เคลื่อนที่หยุดนเราก็จะเห็นว่าธรรมชาติของกายมันแสดงอะไรต่างๆมากมายให้เราเห็นจะเป็นความปวดความเมื่อยนความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายก็รู้อย่างที่เขาเป็นนะนีะ่ก็รู้อย่างที่เขาเป็นอาการของเวทนานะที่เป็นสุข ที่เป็นทุกข์ที่เป็นเฉยเฉยเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเราก็รู้อย่างที่เขาเป็นนั่นแหละไม่ใช่ว่าอะไรมันดีกว่ากันไม่ใช่ว่าสุขดีกว่าทุกข์นะหรือว่าเฉยเฉยดีกว่ากันมีมีค่าเท่ากับทั้งสามส่วนเราก็รู้อย่างที่เขาเป็นอาการหุ่จิตที่เป็นเวทนาที่มันเสวยความสุขบ้างเสวยความทุกข์บ้างหรือวิธีจิตมันก็เฉยเฉยบ้างนะก็รู้อย่างที่เขาเป็นนี่คือการรู้เวทนา นะรู้แบบไม่ได้เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียแต่ถ้าเป็นแบบนี้ชอบหรือไม่ชอบแล้วนะก็ขอให้รู้ทันส่วนขงการการตามดูจิตนะถ้าจะให้ง่ายนะถ้าจะให้ง่ายครับรู้แค่สองตัวก็พอรู้ว่าจิตตอนนี้มันเป็นปกติอยู่กับจิตตอนนี้มันผิดปกติไปนะจะผิดปกติไปเป็นนักลูกกอดหลงอะไรต่างๆก็มันอยู่ในหมวดเดียวกันอยู่ในหมดของ จิตที่ผิดปกตินะก็คือจิตที่มีการปรุงแต่งกับจิตที่ไม่มีการปรุงแต่งถ้าเราจะรู้ก็รู้แบบนี้ก็ได้นะโดยแค่จิตที่มันปกติจิตที่ผิดปกติไปนะถ้าเราดูแบบเนี้มันจะสบายมันจะเห็นว่าอ้อจะผิดปกติน้ำบวกก็ดีน้ำลบก็ดีมันก็ผิดปกติเช่นเดียวกันนะกับจิตที่ปกติเนี่ยมันจะเฉยเนะเฉยแบบรู้นะไม่ใช่เฉยแบบไม่รู้นะเฉยแบบมีสติรู้ว่าอ้อ จิตที่ปกติเป็นรบบนี้จิตที่เผลอไปเป็นแบบนี้เนะี่ยมันก็จะเห็นว่าอ๋อจิตมันเผลอไปตะเวยอารมณ์บ่อยๆนะตะเวยอารมณ์บ่อยๆนะพอเรารู้ทันจิตก็กลับมาตั้งมั่นเป็นปกติแล้วเนะี่ยอาการต่างๆที่มันแสดงเกิดขึ้นเราก็เห็นนะอาการของากายก็ดีอาการของจิตก็ดีหรือไม่แต่ทำมารลงที่เขาเกิดขึ้นนะทำมารงมันเป็นการเห็นกระบวนการทํางานของสภาวะที่มัน เป็นธรรมชาติที่มันปุ่มแต่งนะแต่เป็นอาการของกายก็ดีอาการของใจก็ดีมาเห็นความสัมพันธ์ของกระบวนการกายและใจที่มันทางานร่วมกันมันไ ป, ส เ, ไปเสวยเปลีเยนอารมณ์หรือว่ามันไปตัดการปุ่มแต่งของอารมณ์เช่นใด น, นะอันนี้ก็ไปอาจจะเป็นเรื่ที่ละเอียด น, นะแต่ก็เราก็ค่อยๆตามรู้กายตํามรู้ใจอย่างที่เขาเป็นแบบสบายๆตรงนี้แหละนะแต่เป็นการปฏิบัติเข้มนะหรือไม่เข้มก็ขอให้ ทำให้มันจริงๆแล้วกันนะรู้อย่างที่เรารู้สึกว่ามันสบายนะบางคนทํากรรมฐานในรูปแบบมากๆก็รู้สึกตึงเครียดไม่ผ่อนคลายบางทีก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบบ้างนะบางทีเราเดี๋ยวไปคิดว่าเราจะต้องยกมือหรือว่าเดินที่มันทะลุอาการของความปวดหัวความเครียดอะไรต่างๆบางทีมันไม่ได้นะสาหรับบางคนนะบางคนยิ่งทํายิ่งเครียดยิ่งทํายิ่งหนัก ถ้ารู้สึกเครียนานก็ต้องไึกว่าเปลี่ยนอิยาบทนะอาจจะเดินในช่องเดินจำกรงให้มันเครียดอ่ะออกไปเดินรอบๆลานหินโค้งนะสามสี่ห้ารอบให้มันผ่อนคลายขึ้นนะแบบนี้ก็ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องถูดูถูกกรรมเอาชนะมันนะที่ใจที่อยากจะเอาชนะความเครียดใจที่อยากจะเอาชนะความม่วงเนี่ยใจนันก็ผิดธรรมชาติไปนะนะมันจะเป็นการ บางทีบางคนรู้ไม่ทันพอชนะได้ก็หลงไปดีใจไปพองดำพองใจว่าฉันสามารถเอาชนะกิเลสได้นะแทนที่จะปฏิบัติเพื่อละอัตตา ม, มานะเนี่ยแต่ปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนอัตตาได้มานะขึ้นเนอะแต่ว่ามันผิดทางนะเนี่ยอันนั้นเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อเอาชนะอะไรนะปฏิบัติธรรมเพื่อแค่รู้ทันกายและใจอย่างที่เขาเป็นนะเราแค่รู้ทัน เขานย่าที่เขาเป็นตอนนี้แเป็นภาคของการศึกษานะศึกษาไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยนะแล้วมันก็จะเกิดปัญญาเข้าใจความจริงนะนะตรง น, นี้แหละเราก็ต้องฉลาดในการเปลี่ยนอารมณ์นะฉลาดในการเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองในการปฏิบัติในรูปแบบนอกรูปแบบต้องฉลาดในการเปลี่ยนอารมณ์แต่ที่จริงก็ไม่ใช่ฉลาดให้การขยันในการสร้างสติต้องลดจากฉลาดในการที่รู้ว่า ข้ออ่อนข้อด้อยของเราคืออะไรนะต้องรู้จักปิดดู้ด้วยปิดสิ่งที่มันเป็นข้อบกพร่องที่เป็นเจตินิสัยที่ติดตัวติดใจเรามานานนะก็ต้องรู้จักปิดนะบางคนมันรั่วทางปากมากนะการเก็บอารมณ์การเก็บวาจา ก, ก็จะช่วยเราได้เพราะว่าบาทีเราขยันขยั น, ยนสร้างสติขยันที่จะบัติปฏิบัติในรูปแบบแต่บางทีมันก็รั่วมันก็ไหลไปกับคําพูดนะ คพาพูดก่อนที่มันจะพูดมันเกิดจากความคิดนะเกิดจากความคิดปรงแต่งมันก็เลยพูดออกไปนะแต่ถ้าเราพูดแต่มสิ่งที่เป็นสัมมาวาจามันก็ไม่ผิดหรอกนะสัมมาวาจาคืออะไรการที่เราไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดอันนี้ถ้าเป็นพูดทัศนนี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรไปนะแต่คนส่วนใหญ่บางทีพอพูดออกไปมันจะหลงไปกับ สี่ข้อนี้ไม่ข้อใดก็ ข, ข้อหนึ่งนะเนะนะการปิดวาจาก็จะช่วยให้พวกเราได้ว่าอุดรอยรั่าที่จะทำให้สติมันขาดไปหรือว่าทำให้มันผิดเนยะมันผิดศิงผิดสมาธินยะออกไปแล้วก็ปิดรูด้วยบ้างนะถ้าจะพูดก็พูดเท่าที่จำเป็ น, ปนพูดในสิ่งที่เรียกว่ามันสมควรเกี่การพูดแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะเก็บอารมณ์เข้ม แ, แล้วเออเพื่อนฟูม เขารู้กันว่าเราเก็บอารมณ์แล้วก็งดการพูดไปเสียนอกจากเป็นคําถามที่จําเป็นแล้วก็ตอบแบบเรียกว่าถามคําตอบคําแค่นั้นก็พอละนะมันจะช่วยนะมันจะช่วยให้เราไม่ไม่ต้องไปคิดหาคําพูดนะบางทีถ้าเราไม่มีข้อวัดไม่มีข้อปฏิบัติตอเนีน้บางทีเห็นใครเราก็อยากจะพูด <S S S เห็นอะไรมันก็อยากจะไปทําทั้งหมดนะการพูดก็ดีก็ต้องงดจากวิรัตต้องจักงดเว้นบ้างนะ บางทีเนี่ยคําพูดที่ออกจากปากนะแต่ที่จริงถ้าจรู้ทันที่มันดีนะเห็นตั้งแต่คําพูดที่มันคิดในใจนี่แหละมันเป็นต้นตอสําคัญเลยนะอืมแม้เราจะเก็บอารมณ์ไปนะแต่จะเห็นบางทีเราก็พูดกับตัวเองสารพัดนะพูดกับตัวเองสารพัดมากมายมันคิดพูดกับคนอื่นไม่ได้มันก็คิดพูดกับตัวเองมันคิดสอนคนอื่นไม่ได้ก็คิดเทศตัวเองเทศเทศตัวเองฟังก็มีนะก็จะเห็นนะอ๋อ อันนี้แหละก็เป็นคําพูดเช่นเดียวกันดะงั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้ทันทั้งกิริยาภายนอกที่มันอยากจะแสดงหรือว่ามันแสดงเกิดขึ้นรู้ทันปฏิกิริยาภายในใจที่มันแสดงด้วยเช่นเดียวกันนะคำพูดหรือความคิดการกระทําก็เช่นเดียวกันนะถ้าเราเข้ากรรมาฐานเข้มการกระทําอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจําเป็ น, ปนต่อปัจเจกศีล น, นะหรือเป็นสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องที่มันจําเป็นจริงๆ เราก็งดเว้นไปซะถือว่าเป็นการพักนะพักการพักงานพักสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจากชีวิตให้เหลือแต่สิ่งที่จําเป็นโดยเฉพาะในการปฏิบัติในรูปแบบนะหรือก็เปลี่ยนการปฏิบัติในรูปแบบเป็นนอกรูปแบบบ้างเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายในบางครั้งก็แค่นั้นการเงินต่างๆบา ง, ๆงอย่างก็วางไปซะไม่ทําก็ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ทําก็มีคนอื่นทำนะนะีคือถ้าเราตั้งใจบอกเพื่อนไวแบบนี้แล้วเราก็ ขอให้เราวางใจเพราะบางทีปฏิบัติทำไปนะมันมันจะอยากไปทํานั่นทํานี่มากมายทําให้เราลืมลืมตัวเองนะเพราะาจิตมันมันเรียกว่ามันดิ้นรนมันไม่อยากอยู่อารมณ์เดียวมันอยากไปเสพหรือว่าไปทําอย่างอื่นบ้างเพื่อเป็นการเรียกว่าให้มันรู้สึกได้สวยอารมณ์ได้ชิมอารมณ์อื่นบ้างนะ เราก็เห็นมันนะถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่จาเป็นก็ไม่ทำนะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่จาเป็นก็ทำนะเพื่อเรียกว่าเพื่อที่มันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานะการปฏิบัติธรรมมันก็จะมันจะเข้มหรือไม่เข้มนะมันก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละนะอยู่ที่ตัวเราจะรู้จักขยันในการสร้างสติมากน้อยขนาดไหนขยันในการที่จะปิดดูด้วยนะทางการกระทาทางของู้ของเรามากน้อยขนาดไหน ถ้าเราทำทั้งสองส่วนนะนะทำทั้งสองส่วนเรียกว่าคล้ายๆรู้จักทั้งหาหาเข้าแล้วรู้จักปิ ด, ปดถึ่งที่มันจะด้วะไรออกตอนนี้สติมันจะเ พ, พิ่มพูนมันจะพออพูนมากขึ้นนะมันก็จะเจริญมากขึ้นไม่ติดต่างกันนะในการปฏิบัติในรูปแบบก็ดีนอกรูปแบบก็ดีถ้าเราทำเช่มนี้นะสติปัญญาราจะเจริญง อ, งอกงามมากขึ้นนะ ก็ขอให้พวกเราได้ตั้งใจทําทุกคนคนที่เข้ากรรมฐานเข้มก็ดีหรือว่าคนที่อยู่วัดปกติทั่อดีก็ขอให้พยายามฝึกฝนตัวเองเพิ่มขึ้นเะรื่อยๆเนาะอย่างที่พระจางสตินท่านพาพวกเราสวด น, นะหลวงจ้าท่านบอกไว้เลยว่านะอย่าให้ประมาทกันเนาะจงทําความไม่ประมาทจงทําให้ตึพร้อมในความไม่ประมาทเถิดนะก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้ว่า อย่าให้เราประมาทอย่าประมาทว่าตอนนี้ยังมีเวลาอีกมากตอนนี้ยังหนุ่มยังเทาตอนนี้ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้ยังไม่ใกล้จะตายถ้าคิดแบบนี้แตงว่าประมาทอยู่ให้เราเห็นว่าวันนี้ที่เรามีอ่ะดีที่สุดแล้วให้ยามตั้งใจทําวันนี้แหละให้ดีที่สุดทําตอนนี้ให้ดีที่สุดไม่ต้องกังวลถึงอะไรต่างๆเออแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือบางทีหลายคนพอทาเข้ม พอตั้งใจจริงมันก็จะมีการคาดหวังผลนะอยากได้ผลของการปฏิบัติอยากจะรู้นั่นรนี่นะอยากจะได้นั่นได้นี่บ้างพยายามรู้เท่าทันเนาะวิงทีาอาจจะห้ามไม่ได้หรอกอาจจะห้ามไม่ได้ที่จะไปคิดอยากจะได้ผลแต่ขอให้รู้ทันมันเร็วเพราะถ้ า, าทําตามความคิดทําตามความอยากนเะมื่อมันไม่ได้อย่างที่คิดเมื่ออย่างที่อยากมันจะเกิดเป็นความทุกข์ หรือบางทีได้อย่าที่คิดได้อย่างที่อยากก็จะกลายเป็นการหลงอารมณ์เป็นเช่นเดียวกันนะเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันนะพอมันคิดพอมันอยากพอมันไม่ได้มันก็เกิดเป็นความทุกข์พอมันได้นะมันก็ไปหลงติดตกไปติดอารมณ์เช่นเดียวกันนะดังนั้นเมื่อความอยากเกิดขึ้นให้มีสติคอยรู้ทันแล้วก็ละความอยากนู้เสียจะเป็นความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่ ห้าไม่ได้แต่ขอให้รู้ทันแล้วก็ละมันดูเร็วก็พอเดี๋ยวก็เห็นจิตเดีวก็อยากนะเดี๋ยวก็เห็นจิตมันก็อยากยา ก, ก็รู้ทันแล้วก็ละมันเนีน่ยเราพยายามปฏิบัติอย่างนี้ยนะไม่เรีว่าตั้งเป้าไว้ว่าปัจจุบัติเป็นพุทธบูชานะปฏิบัติเพื่อขัดเกลื่อปฏิบัติเพื่อรู้จักตนเองก็พอเราจะได้จะเห็นจะเป็นจะมีอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นเรื่องของผลเราพยายามทําเหตุให้ดีที่สุดเหตุ ก็คือสร้างสติรู้สึกตัวให้มากให้บ่อยนะให้จนเป็นนิสัยแต่ผลจะได้มรรคผลไม่พานอะไรก็ขอให้เป็นเรื่องที่วางไว้ให้มันสมควรแก่ธรรมเนาะดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็เป็นเรียกว่าที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นธรรมานุธรรมะปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมก็ต้องจะเดินอดงามในจิตใจนะ ของเราต่อไปนะก็ขอพวกเราได้ตั้งใจปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมนะกราบพระพร้อมกันอะรหังสัมมาสัมพโทธ佛ค่ะว่าพุทธัง